ทุ่มเครื่องของอีกวันเนนทองดีจึงออกจากผลสมาบัติซึ่งท่านได้อธิษฐานจิตไว้ตอนก่อนจะเข้าว่าจะอยู่ในสมาบัติเป็นเวลา24ชั่วโมงเจ้าคุณอาจารย์ได้สั่งให้ลูกศิษย์ของท่านนำน้ำปานะมาถวายด้วยรู้ว่าเนนจะต้องทั้งกระหายและหิวเนื่องจากไม่ได้ดื่มฉันหนึ่งวันเต็มเต็ม มหาหนูอาจารย์แพงตลอดจนสิทธิร่วมสำนักครั้นทราบข่าวต่างพากันชื่นชมยินดีกันทั่วทั่วด้วยยังไม่เคยปรากฏว่ามีสา ม, มนเณรรูปใดทำได้เช่นนี้มาก่อนบุคคลที่ยินดีปรีดากว่าใครเพื่อนเห็นจะได้แก่พระเจริญเพราะนอกจากเนนทองดีจะอยู่อารามเดียวกับท่านแล้วยังติดสอยห้อยตามมา ในฐานะลูกศิษย์คอยอรับใช้เมื่อลูกศิษย์ได้ดีมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติอาจารย์ย่อมยินดีด้วยเป็นธรรมดาหากในความยินดีปรีดานั้นก็มีความกังวลลึกๆแฝงอยู่จึงพูดกับเนนว่าเนนอย่าเพิ่งกลับวัดนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนพระหนุงกังวลว่าจะไม่มีเพื่อน ผมก็อ ย, กอยากอยู่คอยรับใช้หลวงพี่แต่สงสัยว่าจะอยู่ไม่ได้เนนทองดีตอบทำไมจะไม่ได้ก็เขาส่งเรามาอบรมตั้งหกเดือนเราก็มีสิทธิ์อยู่ต่อจนครบกำหนดท่านหาทางออกให้เพราะคิดว่าเนนกลัวทางสำนักจะไม่ให้อยู่เนื่องจากเรียนจบหลักสูตรก่อนกำหนดถึงห้าเดือน ไม่ใช่เรื่องที่อยู่หรอกครับลงพี่ที่ผมว่าอยู่ไม่ได้เพราะต้องกลับไปเยี่ยมโยมแม่ซึ่งกำลังป่วยหนักเนนผู้กลายเป็นอติชาติสิทธิ์อธิบายเนนรู้ได้ยังไงหรือว่าทางบ้านมีหนังสือแจ้งมาพระหนุ่มถามพร้อมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมถึงรู้เพราะอยู่ๆมันก็รู้เองเห็นเอง และมั่นใจว่าสิ่งที่รู้เห็นนั้นถูกต้องตามความเป็นจริงพรุ่งนี้จะได้รับหนังสือที่ส่งมาจากทางบ้านว่าโยมแม่ป่วยนะหรือครับผมมั่นใจอย่างนั้นน่าแปลกนะครับลุงพี่อ น, นิสงส์แห่งการปฏิบัติธรรมช่างอัศจรรย์เหลือเกินแต่ก่อนผมเป็นคนพูดติดอ่างครั้นมาปฏิบัติธรรม จนจิตตั้งใจจึงกลับพูดได้ไม่ติดขัดผมต้องขอบคุณหลวงพี่ที่ชวนให้ได้มาพบขุมทรัพย์ทางปัญญาท่านก้มลงกราบพระหนุ่มสามครั้งด้วยรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณอย่าคิดว่าเป็นบุญเป็นคุณอะไรเลยหลวงพี่ว่าเป็นที่บุญของเนนนั่นแหละเนนต้องเป็นผู้ที่เคยสร้างบุญกุศลมาก่อนที่เรียกว่า ปุเพจกะกตะปุญญาตาจึงได้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในปัจจุบันทันตาเห็นพระหนุ่มพูดออกตัวถึงยังไงหลวงพี่ก็มีบุญคุณตอบผมเพราะถ้าหลวงพี่ไม่บอกหลวงพ่อชออว่าจะพาผมมาด้วยผมก็คงไม่ได้มาเอาเอถอะท่านเนนจะคิดอย่างนั้นก็ตามใจบอกตามตรงว่า ลุงพี่ชื่นใจมากที่เห็นเนนประสบความสำเร็จแต่เมื่อกลับมามองตัวเองแล้วก็เศร้าใจลุงพี่คงจะไม่ก้าวหน้าเพราะไม่เคยสร้างสมบุญไว้นอกจากไม่สร้างบุญแล้วยังสร้างเวรสร้างกรรมไว้มากมายอย่างที่เคยเล่าให้เนนฟังนั่นแหละพระหนุ่มรู้สึกหดหูใจเมื่อ น, นึกถึงการกระทำของตัวท่านในครั้งอดีตอย่าเพิ่งท้ถ อ, อยสิครับ แล้วก็อย่าไปโทษว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นจริงก็แก้ไขได้กรามเป็นเรื่องที่แก้ไขได้นะครับผมว่าชาวพุทธเรายังเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องกรรมไม่ถูกต้องอยังไงพระเจริญอยากรู้ก็ไปเข้าใจว่ากรามเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้นะสิครับ อย่างเช่นคนที่เกิดมาจนก็ก้มหน้าก้มตารับกรรมต่อไปโดยไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขเพราะถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมแบบนี้เป็นการเข้าใจผิดนะครับควรจะทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำนั้นแก้ไขได้เช่นคนที่เกิดมายากจนก็ต้องขยันทรมาหากินแล้วก็จะรวยได้ต้องแยกให้ออกระวางกรรมเก่า กับกรรมปัจจุบันการที่เกิดมาจนเพราะกรรมเก่าทา ม, มาไม่ดีจริงอยู่เราไม่สามารถแก้ไขกรรมเก่าได้เพราะสิ่งที่ผ่านไปแล้วย่อมไม่คืนกลับเราย้อนอดีตไม่ได้แต่กรรมปัจจุบันเราแก้ไขได้คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกเป็นเศรษฐีได้จริงไม่ครับจริงเอ ลุงพี่ชักแปลกใจเสียแล้วว่าทำไมเนนถึงได้พูดเก่งนักหรือว่าจะเข้าตำราน้ำแหลมไครเซียมมะนาวกลมเกลี้ยงใครกลึงพระหนุ่มพูดยิ้มยิ้มอานิสงของการปฏิบัติธรรมตังหากล่ะครับธรรมะเข้ามาปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในตัวผมจากคนที่พูดติดอ่างกลายเป็นพูดคล่อง และจากคนที่ไม่รู้ก็เกิดปัญญาสว่างสวัยขึ้นมาอย่างน่าอาศัศจรรย์ธรรมะเนี่ยลึกซึ้งมากนะครับลุงพี่ใครไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ต้องปฏิบัติจนรู้เองเห็นเองแล้วจะซึ้งใจเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าปัจจัตังเวทิตพโพวินยูหิผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ธรรมะนี่รู้ได้เฉพาะตนจริงๆนะครับถ้าเราเข้าไม่ถึงใครจะมาพูดยังไงก็เข้าใจไม่ได้ที่เนนพูดมานี้ทําให้หลวงพี่นึกถึงคําพูดของหลวงพอ่อในป่าแต่หลวงพี่ก็ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งอะไรคงต้องใช้เวลาและจะตั้งหน้าตั้งตาทําความดีเพื่อชดใช้กรรมเก่าสมัยเป็นเด็ก ลุงพี่ไม่เชื่อว่าบาปบุญมีจริงตอนบวชใหม่ๆก็ยังไม่เชื่อเพราะไม่ได้สนใจเรื่องการปฏิบัติัมแต่นับวันนับคืนว่าเมื่อไรจะถึงวันลาสิกขานี่ถ้าเกิดลุงพี่ศึกไปเป็นค า, ารวาตตั้งแต่ตอนนั้นป่านนี้ไม่รู้ว่าจะก่อกรรมทำเข้นเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่แล้วก็คงเป็นชาวพุทธที่ไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไร เรียกว่าเป็นพุทธแต่ชื่อเหมือนกับที่คนอื่นๆเขาเป็นกันเน้นล่ะตอนก่อนบวชรู้ไหมว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรท่านถามอติชาติสิทไม่รู้เลยครับถึงตอนบวชแล้วผมก็ยังไม่รู้เพิ่งจะมารู้ตอนที่ปฏิบัติมากๆนี่เองแต่ก่อนผมคิดเอาเองว่าพระพุทธศาสนา สอนให้ทําบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาหน้าที่ของชาวพุทธมีเพียงเท่านี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธศ า, าสนาสอนคือสภะปาปัสะอากระนังกุสละสูปะสัมปทาส จ, จิตตะปริโยทะปะนังเอตังพุทธานะศาสนังการไม่ทําความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญแต่ความดีการทําจิตของตนให้ผ่องใสนี้เป็นคําสอนของพระพุทธศาสนาสรุปให้สั้นก็คือพระพุทธศาสนาสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นเองคนเป็นเนนพูดจ้อยจ้อยจนคนฟังรู้สึกเพลิดเพลินโอ้โหเนนเก่งบาลีอีกด้วยถามจริงๆเถอะ เคยเรียนบาลีมาหรือเปล่าทำไมถึงพูดได้คล่องปากอย่างนี้เนนทองดีถูกถามไม่เคยเรียนหรอกครับหลวงพี่ก็รู้ว่าหลวงพ่อชอ่อท่านมีงานแยะไม่มีเวลาสอนพระสอนเนนหรอกก็บวชเฝ้าวัดกันไปวันๆทั้งพระทั้งเนนแต่ท่านก็ดีนะที่ให้เราสองคนมาปฏิบัติอย่างน้อยเราก็ได้มาพบแสงสว่าง ถึงหลวงพี่จะไม่ได้มากเท่าเนนแต่ก็สว่างพอที่จะทำให้ไม่หลงทางคนเรามีนิสัยปัจจัยมาไม่เหมือนกันจะให้ไม่หลงทางคนเรามีนิสัยปัจจัยมาไม่เหมือนกันจะให้สำเร็จพร้อมกันได้ยังไงจริงไหมแต่ความเพียรพยายามก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนะครับผมหมายถึงว่า คนที่เขาไม่มีบุญกล่าวมาก่อนเพราะในอดีตไม่เคยสร้างสมไว้แต่มาในปัจจุบันเขาปรารบความเพียรอย่างสม่ำเสมอก็ประสบความสำเร็จได้คนเป็นสิทธิ์แย้งอย่างนิ่มนวลเอาละหลวงพี่ยอมรับว่าที่ผ่านมาหลวงพี่ย่อหย่อนในการทำความเพียรต่อไปนี้หลวงพี่จะตั้งต้นใหม่ จะปรารบความเพียรอย่างสม่ำเสมอดังที่เน้นว่ามาหลวงพี่ให้สัญญาว่าจะไม่ให้เสียชื่อวัดพรมบุรีของเราดีครับผมขอเอาใจช่วยถึงจะกลับไปอยู่ทางโน้นแล้วก็จะส่งกำลังใจมาให้ขอให้หลวงพี่ระลึกไว้เสมอว่าวิริยเะทุกขมัดเจติบุคคลล่วงทุกได้ด้วยความเพียร ดูเหมือนคนเป็นสิทธ์กลับสอนคนเป็นอาจารย์จนพระเจริญออกสงสัยว่าใครเป็นสิทธ์ใครเป็นอาจารย์กันแน่ขณะที่เนนทองดีกับพระเจริญกําลังสนทนากันอยู่นั้นลูกศิษย์เจ้าคุณอาจารย์ก็เข้ามาในห้องเขากราบพระและเนนสามครั้งและจึงเรียนว่าหลวงพ่อท่านให้มานิมนต์หลวงพี่เนน ไปสอบอารมณ์ที่ห้องท่านครับเขาหมายถึงพระอุดมวิชาญาณวิปัสนาจารย์แห่งวัดมหาธาตุขอหลวงพี่ไปฟังด้วยคนนะพระหนุ่มรีบบอกเนนจึงพูดอย่างเกรงใจว่าให้ผมขออนุญาตท่านเจ้าคุณอาจารย์ก่อนดีไหมครับไม่ต้องขอหรอกครับหลวงพ่อท่านสั่งผมมาว่า ให้หลุงพี่เนนไปรูปเดียวส่วนลุงพี่ให้ปฏิบัติอยู่ในห้องจนกว่าลุงพี่เนนจะกลับเข้ามาลูกศิษย์เจ้าคุณอาจารย์บอกกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายมา เมเนทองดีเข้าไปในห้องพระอุดมวิชญาณา น, นั่งรออยู่แล้วที่อาสนะของท่านทันทีที่เห็นหน้าลูกศิษย์เจ้าคุณอาจารย์ก็รู้ว่าเขาได้เข้าถึงกระแสพระนิพพานเป็นพระอริยบุคคลลำดับต้นที่เรียกว่าพระโสดาบันท่านจึงเริ่มทำการสอบอารมณ์เพื่อทราบว่าสมนเนนผู้นี้จะผ่านญาณส6หได้อย่างอ่อน อย่างกลางหรืออย่างกล้าถ้าได้อย่างอ่อนเป็นพระโสดาบันประเภทสัตตัดตุปรมะจะท่องเที่ยวไปในสุขติภพเจ็ดภพจึงจะเข้าถึงพระนิพพานถ้าได้อย่างกลางเป็นพระโสดาบันประเภทโกลังโกละจะเล่นท่องเที่ยวไปในภพสองหรือสามภพจึงจะเข้าถึงพระนิพพาน แต่ถ้าได้อย่างสูงเป็นพระโสดาบันประเภทเอกพีชีจะเกิดในโลกมนุษย์อีกชาติเดียวเท่านั้นก็จะเข้าถึงพระนิพพานกล่าวโดยย่อคือผู้ที่เข้าถึงกระแสพระนิพพานเป็นพระโสดาบันแล้วจะเกิดอีกอย่างน้อยหนึ่งชาติอย่างมากเจชาติก็จะบรรลุพระนิพพาน คือเป็นพระอระหันต์เนนทองดีทำความเคารพพระอาจารย์ด้วยการกราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งจากนั้นจึงนั่งประนมมือรอฟังคำถามพระอุดมวิชญาณยยาสอบอารมณ์เดี๋ยวเริ่มจากยานที่หนึ่งชื่อนามรูปปริเฉทยานอันเป็นยานที่ผู้ปฏิบัติ เกิดปัญญารู้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามที่เรียกว่ารูปนามนั้นแท้จริงเป็นอย่างไรผู้ปฏิบัติรู้แยกรูปแยกนามออกจากกันอย่างชัดเจนไม่ปะปนกันเจ้าคุณอาจารย์เริ่มด้วยคำถามขวาย่างกับซาอย่างเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันกันเป็นคนละอันกันครับ เน้นท้องดีตอบฉับพลันด้วยว่าเคยผ่านการสอบอารมณ์จากมหาหนูและอาจารย์แพงมาบ้างแล้วสายอย่างอันก่อนกับซ้ายยางอันหลังเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันกันเป็นคนละอันกันครับห้องกับยุคเป็นคนละอันหรืออันเดียวกัน เป็นคนละอันกันครับห้องแรกกับห้องหลังยุบแรกกับยุบหลังเป็นคนละอันหรืออันเดียวกันเป็นคนละอันครับเนนตอบอย่างคล่องแคล่วเจ้าคุณอาจารย์รู้สึกพอใจที่ลูกศิษย์รู้แยกรูปได้อย่างถูกต้องจึงทดสอบรู้แยกนามด้วยการถามว่า รู้ขวาอย่างกับรู้ซ้ายอย่างเป็นอันเดียวกันใช่ไหมเป็นคนละอันกันครับรูปหองกับรู้ยุบเป็นคนละอันกันใช่ไหมใช่ครับรูปหองแรกกับรูปหองหลังเป็นอันเดียวกันใช่ไหมเป็นคนละอันกันครับเป็นอันว่า เนนทองดีผ่านการทดสอบรู้แยกนามลําดับต่อไปคือการทดสอบรู้แยกรูปแยกนามพระอุดมวิทยานตั้งคําถามว่ารู้กับขวาย่างสาอย่างเป็นคนละอันกันใช่ไหมใช่ครับรู้กับห้องรู้กับยุคเป็นอันเดียวกัน หรือคนละอันกันเป็นคนละอันกันครับลำดับต่อไปเป็นการทดสอบทางอายัยตนะรูปกับรู้ว่าเห็นเสียงกับได้ยินกลิ่นกับได้กลิน่นรสกับรูร้รสสัมผัสกับรู้ถูกเป็นคนละอัน หรือเป็นอันเดียวกันขอละอันครับเพียงคำถามเดียวก็รู้ว่าลูกศิษย์ผ่านการทดสอบทางอายตนะท่านจึงตั้งคำถามเบต็ดตเตล็ดเป็นลำดับสุดท้ายมีเวทนาโกดขุ่นไหมมีครับแล้วกำหนดหรือเปล่ากำหนดครับ ยกตัวอย่างสิเมื่อปวดขาผมกาหนดปวดนอปวดนอครับกําหนดแล้วหายปวดไหมไม่หายครับแล้วเธอทำอย่างไรผอมกําหนดว่าอดทนหนอพาคเพียนนอแล้วกลับมากําหนดที่พองนอยุบนอครับ จิตแลบออกไปข้างนอกบ้างไหมมีบ้างครับแล้วกำหนดทันหรือเปล่าบางครั้งก็ทันบางครั้งก็ไม่ทันครับการทดสอบห้าขั้นผ่านไปปรากฏว่าเนนทองดีตอบได้อย่างชะฉชานจึงสามารถผ่านยานที่หนึ่งได้อย่างยอดเยี่ยมจากนั้นเจ้าคุณอาจารย์จึงสอบอารมณ์ ยานที่สองที่สามที่สีและที่ห้าซึ่งมีชื่อเรียกตามลำดับคือปัจจยะปริกขหยานสั ม, มัสณยานอุทายพยยายานและพังขยานจากยานที่ห้าก็เป็นยานที่หกชื่อพยยายานไปจนกระทั่งถึงยานที่สิบหก ชื่อปัจเจเวคคณะยานยานที่หนึ่งถึงยานที่หเนนทองดีตอบได้ฉะฉันคล่องแคล่วด้วยว่าเคยผ่านการสอบอารมณ์จากมหาหนูและอาจารย์แพงมาแล้วแต่ยานที่6จนถึงยานที่16ยังไม่เคยได้รับการทดสอบจากอาจารย์ท่านใดมาก่อนความคล่องตัวในการตอบจึงลดลงท่านจึงจัดอยู่ใน พระโสดาบันประเภทสัตักขตุปาระ m ซึ่งจะต้องเวียนว่ายอยู่ในสุขติภูมิอีกอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติก็จะบรรลุพระนิพพานเป็นพระอรหันต์เอาละ่ะเป็นอันว่าเธอผ่านยานสิบหกแล้วต่อไปนี้ก็ให้ตั้งใจฟังปริยัติเพื่อประดับความรู้ปริยัติเปรียบเสมือนเข็มทิศ ปฏิบัติเหมือนการเดินทางไปสู่จุดหมายถ้ามีเข็มทิศแต่ไม่มีการเดินทางก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดเหมือนคนที่รู้ปริยัติแต่ไม่เคยปฏิบัติแต่ถ้าปฏิบัติโดยไม่รู้ปริยัติเส้นเลยก็อาจลงทางได้ฉะนั้นปริยัติจึงมีความสําคัญจะต้องรู้ไว้บ้างเข้าใจหรื อ, อยังละ่ะเข้าใจครับ กระผมมีความรู้สึกว่าเมื่อเราปฏิบัติได้แล้วปริยัติก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปกระผมสังเกตว่าในการปฏิบัติคนที่ไม่รู้ปริยัตมาก่อนจะปฏิบัติได้ก้าวหน้าส่วนคนรู้ปริยัตอาจจะมัวติดอยู่ในสิ่งที่เรียนรู้มาคลุ่นคิดหมกมุ่นอยู่กับทฤษฎีจึงปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เน้นท้องดีออกความเห็นเพราะเปรียบเทียบตัวท่านกับพระเจริญจริงอย่างที่เธอว่ามานั่นแหละและที่ฉันตั้งคอสังเกตก็คือคนที่มีปัญญามากมักจะบรรลุธรรมช้าอย่างพระเจริญอาจารย์ของเธอฉันเห็นหน้าเขาแล้วรู้ว่าคนผู้นี้เฉลียวฉลาดมีปัญญาเป็นเลิศ เขาจะต้องเป็นวิปัสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงต่อไปในอนาคตเขาจะต้องเป็นวิปัสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงต่อไปในอนาคตมันก็แปลกนะเธอคนฉลาดมากๆมั ก, ก, กจะรู้ชา้าอย่างเช่นในครั้งพุทธกาลก็มีตัวอย่างมาแล้วเธอเคยได้ยินชื่อพระสารีบุตรไหมเคยครับ ท่านเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระบรมศาสดานั่นแหละท่านเป็นผู้เลิศในทางปัญญาฉลิ้วฉลาดมากขนาดฝนตกแต่ละครั้งท่านสามารถนับเม็ดฝนได้คิดดูก็แล้วกันว่าท่านฉลาดลึกซึ้งปานใดแต่ในการปฏิบัติธรรมท่านกลับบรรลุอรหัตผลช้ากว่าพระโมคคัลลานะ ผู้เป็นสหายของท่านแต่ถึงอย่างนั้นท่านก็เป็นเลิศกว่าพระสาวกรูปอื่นๆพระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญว่านอกจากพระองค์แล้วพระสารีบุตรไม่เป็นรองใครนอกจากนั้นท่านยังมีความสามารถในการแสดงธรรมได้เท่าเทียมกับพระพุทธองค์และได้แสดงธรรมไว้หลายพระสูตรเช่นสำมาติสูตรเป็นตน้น ครับกระผมสนใจที่จะศึกษาชีวประวัติของท่านเพราะในบรรดาพระสาวกกระผมศรัทธาและเคารพนับถือท่านพระสารีบุตรมากที่สุดเนนทองดีพูดจากใจจริงฉันก็เหมือนกันฉันรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับท่านไว้มากถ้ามีเวลาก็ว่าจะเขียนเป็นหนังสือให้คนรุ่นหลังได้ศึกษากัน เอาล่ะเรายุติเรื่องนี้กันไว้ก่อนฉันกำลังจะสอนภาคปริยัติให้เธอท่านจำเป็นต้องบอกกล่าวให้เนรู้ทางอ้อมเรื่องที่เขาได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับต้นคนเป็นสิทธิ์ประนมมือนั่งฟังด้วยความตั้งใจพระอดงวิชายานจึงเริ่มต้นขึ้นว่าในปะหีนสูตรอังคุตระนิกายทุติยปัญาต ได้กล่าวถึงธรรมะที่พระโสดาบันละได้แล้วหกประการมีหนึ่งสักยะทิฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตนสองวิจิกิจฉาความลังเลสงสัย 3. สามศีลพตะปรามาตความถือมั่นในศีลพรตโดยสักแต่ว่า ทำตามๆกันไปอย่างงมงายสี่ราคะที่เป็นเหตุให้ไปสู่อบายห้าโทสะที่เป็นเหตุให้ไปสู่อบายและหกโมหะที่เป็นเหตุให้ไปสู่อบายสามข้อแรกก็คือสังโยชน์ส่วนสามข้อสุดท้ายคืออกุศลลมูลสาม ธรรมะหกประการนี้พระโสดาบันละได้แล้วนอกจากนี้ในอุปาเทพัพสูตรได้กล่าวถึงธรรมะที่พระโสดาบันไม่ทำให้เกิดขึ้นซึ่งก็ได้แก่ธรรมะหกประการที่กล่าวข้างต้นนี้เพราะฉะนั้นพระโสดาบันจึงเป็นผู้ตัดขาดจากอบายภูมิ ได้โดยสิ้นเชิงจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือเดรัจฉานอีกครับกระผมรู้สึกมั่นใจว่าตัวเองจะไม่ตกไปในอบายอย่างแน่นอนที่มั่นใจอย่างนั้นกระผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับว่าทำไมช่องเถอะบอกไม่ถูกก็ไม่ต้องบอกเพราะธรรมะเป็นสันทิฏฐิโก ที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ด้วยตนเองเอาละเป็นอันว่าการสอบอารมณ์เสร็จสิ้นลงแล้วเธอกลับไปพักผ่อนได้เนรทองดีจึงพูดว่ากรบผมขอกรบขอพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาให้ธรรมะแก่กระผมพร้อมกันนี้กรบผมก็ขอให้สัตยปฏิญาณว่า จะภาคเพียนปฏิบัติต่อไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จถึงขั้นสูงสุดหากชาตินี้ยังไม่ถึงก็มั่นใจว่าจะถึงในชาติต่อๆไปซึ่งกระผมเชื่อว่าจะไม่เกินเจ็ดชาติพูดจบจึงกราบเป็นจางค้าประดิษฐ์สามครั้งแล้วลุกออกมา เมื่อท่านกลับเข้ามาในห้องเป็นเวลาสองยามพอดีพระเจริญยังคงนั่งภาวนาอยู่ในห้องตามคำสั่งของเจ้าคุณอาจารย์ที่สั่งผ่านมาทางลูกศิษย์ของท่านเป็นภาพที่เนนทองดีไม่เคยพบเห็นมาก่อนหรือว่าอาจารย์ของท่านจะสำเร็จมรรคผลในค่ำคืนนี้